คำว่าอริยสัจมีแง่ความหมายที่ควรรู้เข้าใจไว้บ้างในแง่ของภาษาหรือถ้อยคำมีข้อควรรู้เข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่าอริยสัจพอเป็นความรู้ประกอบไว้เล็กน้อยอริยสัจถ้าเขียนตามคำเดิมในภาษาบาลีก็เป็นอริยสั์มีจอจานกรนัมาจากบาลีว่า อริยสัจจะซึ่งแยกได้เป็นสองคำคืออริยะบวกสัตมีจอจานกรณ์อริยะแปลกันมาว่าประเสริฐและสัตคือสัจจะก็แปลว่าความจริงรวมกันแล้วจึงแปลาตามตัวว่าความจริงอันประเสริฐแต่มีเรื่องราวที่เป็นภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ซึ่งเมื่อได้รู้แล้ว ก็จะช่วยให้มองเรื่องราวรวมทั้งความหมายของคำว่าอริยศัสนี้ลึกลงไปอีกคำบาลีอริยอออังรอเรือสรรออียอยักษ์ที่เขียนอย่างไทยเป็นอริยเพิ่มสระอเข้าไปและแปลกันว่าประเสริฐนี้มีรูปในภาษาสันสกฤตสะกดด้วยอออังสระอรอเรือมีจุดข้างล่างและก็ยอยักษ ซึ่งเขียนอย่างไทยเป็นอริยะคือออ่างสระอารอเรือยอยักษสระอเมื่อว่าตามความเป็นมาดั้งเดิมคําว่าอริยะหรืออริยะนี้เป็นคําเรียกชื่อเผ่าพันธุ์ของชนโบราณพวกหนึ่งเดิมอยู่ในเอเชียกลางชาวตะวันตกเขียนเป็น a r y a n s ซึ่งไทยเราเรียกตามว่าอาริยันพวกอริยะหรืออริยกะหรืออริยะ หรืออารยันนี้ถนัดในการสู้รบได้อพยพลงมาเข้าครองอิหร่านแล้วจากอิหร่านได้ยกมาบุกรุกชมพูทวีปคำว่าอิหร่านที่สะกดด้วย i r a n ในภาษาอังกฤษนั้นมีความหมายว่า land of the aryan s หรือก็คือแผ่นดินของพวกอารยันเมื่อเข้าครองชมพูทวีปมั่นคงแล้วได้มีการจัดระบบสังคมโดยอ้างว่าพระพรมสร้างโลก และทรงจัดแบ่งคนเป็นสี่วันณนะได้แ ก, ก่กษัตริย์คือเจ้านายพราหมณ์คือนักบวชหรือเจ้าตําราแพทย์คือพ่อค้าและสูตรคือคนชั้นต่ําทาตและกรรมกรพวกอริยะอริยกะอริยะหรืออาริยานนีเป็นสามวันณนะต้นกดคนพื้นถิ่นเดิมลงเป็นสูตรแล้ววันณนะทั้งสี่นั้น ก็สืบกันมาตามชาติกำเนิดคำว่าอริยะอริยะที่เป็นชื่อของเผ่าชนผู้ชนะได้กลายเป็นคำแสดงสถานะที่สูงล้ำเลิศอะไรอะไรที่ดีงามก็ต้องเป็นอริยะดังความหมายที่ไทยเราแปลอริยะว่าประเสริฐเมื่อเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้ค้นพบธรรมะรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วแม้ว่าโดยพระชาต จะทรงเป็นชนชาวอาริยะหรืออริยันในวันเกษัตริย์คือขัตติโยชาติยาแต่ได้ทรงตั้งสังฆะขึ้นให้เป็นชุมชนปราศจากวันนาและทรงสอนคนให้ไม่ถือวันนาไม่ถือสูงต่ำดูถูกกันด้วยชาติกําเนิดแต่ให้นับถือกันด้วยกรรมคือการที่ทําธรรมะที่ประพฤติและทรงสอนให้คนเข้าใจความหมายของอริยะที่ว่าประเสริฐเลิศล้ํานั่นใหม่ ว่าคนเป็นอริยะหรืออริยะมิใช่โดยชาติกำเนิดแต่เป็นโดยศีลคือความประพฤติโดยธรรมหรือธรรมะคือคุณภาพจิตใจโดยปัญญามิใช่ด้วยความเป็นนักรบเก่งกล้าแต่ไปเบียดเบียนเขาดังที่ตรัสเป็นคถาว่าคนจะเป็นอริยะด้วยการเบียดเบียนทำร้ายชีวิตทั้งหลายก็หาไม่แต่โดยอหิงสาต่อชีวิตทั้งปวง จึงเรียกว่าเป็นอริยะหรืออริยะพระพุทธเจ้าทรงนำประชาชนให้เปลี่ยนความคิดความเข้าใจใหม่มามองความเป็นอริยะหรืออริยะว่าอยู่ที่ความเจริญความดีงามที่ธรรมะที่ปัญญาดังเห็นได้ชัดในการที่ทรงใช้คำเรียกใหม่ๆมากมายที่มีอริยะนาหน้าเช่นอริยะสาวกอริยสาวิกาซึ่งต่อมามีอริยบุคคล อริยธรรมหรืออริยธรรมอริยวินัยอริยวง์ตลอดมาถึงคําว่าอริยศัตรน์นี้จากภูมิหลังที่เล่ามานี้จึงเห็นได้ว่าผู้รู้ชาวตะวันตกในยุคแร ก, แรกๆที่ศึกษาพระพุทธศาสนาซึ่งมีความรู้ทางประวัติศาสตร์รู้จักเรื่องชนชาติอรยิยามาก่อนเมื่อมาพบคําว่าอริยศัสตร์ หรืออริยสัตยะจึงแปลว่าอรียทรูธก่อนมานิยมใช้โนเบิลทรูในบัดนี้ว่าตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อริยสัจ์ลปลวความหมายได้หลายอย่างคือความจริงของชนผู้อริยความจริงที่เป็นอริยความจริงที่พระอริยทั้งหลายคือชนผู้อริยรู้เข้าใจความจริง ที่ทำให้ผู้ตรัสรู้เป็นอริยะความจริงที่เป็นอย่างนั้นคือคงอยู่อย่างนั้นไม่ผันแปร ى, ไม่เป็นอย่างอื่นพูดได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงนําความคิดความเข้าใจของคนไปในทิศ ท, ทางใหม่สู่ความจริงแห่งสัจจะ ข, ของกฎธรรมชาติที่เป็นสากลการประกาศสัจจะที่ประจักษ์ด้วยปัญญามนุษย์นี้ท่านใช้คาว่าเป็นการหมุนธรรมจัก คือวงล้อแห่งธรรมที่ไกลๆไม่ว่าสมณะรามเทวะมารพรมต้านไว้ให้หมุนกลับไม่ได้เป็นปรากฏการณ์ที่โลกธท่าสันไว้ปรากฏแสงสว่างยิ่งล้ําเหนือเทวานุภาพ